พวกเราไม่มีใครคิดท้อถอยหรือว่าพลาดปลิวในการจะตามล่ามันหลอกน้อยพี่ชายหันไปตอบพ่อห้าวและเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นช้างผีหรือช้างพิเศษอะไรทั้งนั้นแต่เราจะต้องทําอย่างรอบคอบที่สุดโดยไม่ให้เกิดอันตรายใดๆขึ้นแก่พวกเราทุกคนแม้แต่พวกลูกหาบพี่เชื่อแน่ว่าสําหรับพระพินนั้นถ้าลาพังตัวเขาคนเดียวโดยไม่ต้องมาคอยห่วงพะวงถึงใครอยู่เขาคงจะสบายใจกว่านี้อีกมาก และเรื่องไอ้แหว่งนี่ก็ไม่น่าจะเกิดเป็นปัญหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าพวกเรามอบหน้าที่ในการตามล่ามันให้แก่เขาโดยเฉพาะโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่นี่เราทุกคนก็มีความประสงค์ที่จะล่าเองโดยให้เขาเป็นผู้นําและพินย่อมจะอยู่ในฐานะห่วงหน้าพวงหลังเป็นธรรมดาเพราะเขาต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของพวกเราทุกคนคุณคิดว่าจะกําจัดมันได้ภายในเวลาสักเท่าไหร่ถ้าคุณลงมือล่าลําพัง หลอนหันไปถามพรานใหญ่โดยเร็วรับผินศบตาหญิงสาวแว บ, บเดียวก็เมือนผ่านไปเสียอย่างไม่สนใจผมรับรองเวลาแน่นอนไม่ได้หรอกครับแต่เป็นการสะดวกและปลอดภัยสำหรับทุกคนที่สุดถ้าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมตามํำพังถามจริงๆเถอะปืนหนึ่งกระบอกกับปืนหลายๆกระบอกไหนจะดีกว่ากันในการทำลายล้างเข่นฆ่าถ้าการทาลายล้างเข่นฆ่านั้น เป็นเรื่องระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์แล้วก็ปืนหลายกระบอกดีแน่แต่ถ้าเป็นการตามสัตว์ร้ายปืนกระบอกเดียวจากมือที่ชำนาญเป็นปลอดภัยที่สุดก็แปลว่าที่คุณเป็นทุกข์อยู่นี่เพราะพวกเราสามคนขอติดตามไปกับคุณด้วยนั่นเองคุณชายกับคุณชายยานเข้าใจผมดีที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันไม่เหลือบบา would, กว่าแ ร, Сп ารอางอะไรนักหน้าที่พรานรับจ้างอย่างผมก็มีอยู่แล้ว ในกรณีที่จะต้องนำทางให้แก่นายจ้างตามแต่จะประสงค์และผมเองก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะขอทําการล่ามันตามลําพังเพราะทราบเจตนาเดิมอยู่แล้วโปรดอย่าวิตกว่าคุณหญิงจะไม่ได้ไปประทะกับโขงไอแหวงด้วยมือเองช้าหรือเร็วเท่านั้นเป็นการดีมากที่รู้หน้าที่ตัวเองเช่นนี้ดาดินสวนมาด้วยคําพูดที่แรงและกล้าวตามนิสัยเดิมอย่างไม่ลดละพรานใหญ่ไม่ถือเป็นอารมณ์เพราะความเคยชิน เปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่พี่ชายของรอนเป็นอันว่าพรุ่งนี้พอถึงหุบเขาชมดเราก็จะแยกทางกับขบวนเกวียนเริ่มต้นติดรอยมันไปเลยหรือครับค่อยปรึกษากันให้แน่นอนอีกครั้งเมื่อถึงหุบชมดหัวหน้าคณะเดินทางรอบคอบตามนิสัยปกติของเขาเราอาจแยกตามรอยมันไปในระยะยาวหรือว่าจะแวะกลับไปนอนสมทบกับพวกเกวียนที่ห้วยหญ่ทอง ก็แล้วแต่จะหาเลยกันอีกครั้งดูเหตุการณ์ก่อนแต่ถ้าแยกกันก็ต้องจัดสารกําลังตามที่ชยันว่านั่นแหละคืออย่างน้อยก็ต้องให้มีพรานคุ้มกันอยู่ในขบวนเกวียนสามคนว่าแต่เมื่อขบวนเกวียนออกจากคห้วยใหทองในเช้าของวันมะรืนนี้จะมุ่งไปพักแรมที่ไหนอีกตามเส้นทางของคุณจากห้วยใย่ทองก็ขึ้นโป่งผีสิงเดินอีกควันเต็มเต็มหลังจากโป่งผีสิงก็เข้าเขตป่าหวาย ระหว่างเส้นทางสายใหญ่ที่มุ่งเหนือโดยตลอดของเรานี้ผมเชื่อแน่ว่าไอ้แหว่งจะไม่เดินสวนกลับลงใต้อันเป็นด้านตรงข้ามอาจเพียงแค่เฉออกทางตะวันออกหรือตะวันตกบ้างเท่านั้นถึงเราจะแยกจากขบวนเกวียนออกตามมันทิศทางของเราก็สอดคล้องกับเส้นทางเดินสายใหญ่ในรัศมีข้างเกียงไม่แต่แยกออกไปไกลนักตามทันขบวนเกวียนอยู่ทุกขณะไม่ใช่ไปคนละทิศทาง พวกเราเดินได้เร็วกว่าเกวียนและสามารถที่จะดักหน้าพบกับขบวนเกวียนได้ทุกระยะตามต้องการแล้วผานใหญ่ก็ชำเลืองมองดูน้องสาวในจ้างด้วยความหนักใจอีกครั้งพูด อ, อมแอมไม่เต็มเสียงนักสําหรับคุณหญิงคงจะลาบากหน่อยนะครับเพราะเมื่อแยกจากขบวนเกวียนก็แปลว่าความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้รับเป็นอันหมดสิ้นไปในทันทีสิ่งที่เราจะติดตัวไปได้ก็เพียงเครื่องหลังที่บรรจุของจําเป็นเท่านั้น เราต้องใช้ชีวิตแบบในป่าจริงๆแล้วหล่อนหัวเราะเสียงใสกังวานสบัดเส้นผมมันระยับเหมือนมุ่นไหมายที่แผ่กระจายอยู่เต็มแผ่นหลังไปรวมกันอยู่ที่ซอกหลายข้างหนึ่งมือรูปพันอยู่ที่เส้นผมงามเหล่านั้นขอให้เข้าใจอีกครั้งในพานถ้าฉันรักความสะดวกสบายและถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งแล้วก็คุณจะไม่พบฉันร่วมอยู่ในคณะเดินทางนี้หรอกการตามไม่แหว่งมันจะเป็นข้อพิสูจน์เบื้องต้นให้คุณเห็นว่า ฉันพอจะร่วมทางไปกับคุณได้หรือไม่เมื่อออกจากกล่มช้างแล้วถ้างั้นก็เห็นจะไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วครับอ้อผมยังไม่ได้เรียนให้ทราบอะไรอย่างหนึ่งเกี่ยวกับไอ้แหว่งอะไรทุกคนถามมาเป็นเสียงเดียวราวกับนัดกันไว้เป็นเรื่องแปลกน่าคิดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับพ่านใหญ่พูดช้าๆริมฝีปากที่คลึ้มไปด้วยหนวดคราวอันไม่เคยแตะต้องกับมีโกนมาตลอดระยะออกเดินทางมีรอยยิ้มเล็กน้อย วายป่าหรือที่เรียกกันว่าเมหิงสาตัวหนึ่งเดินหากินตามรอยโขลงของมันไปทุกระยะรอยนี้เริ่มปรากฏขึ้นบนสันขาวอีก้องเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ตามไปตลอดไม่ว่าไอแหวงจะเคลื่อนไปทุ่งหรือดงไหนไม่ว่าจะขึ้นขาวหรือลงหุบเป็นควายโทนตัวเดียวโดดๆไม่ทราบว่าถิ่นเดิมของมันมาจากไหนสังเกตดูจากร่องรอยของมันที่ตามหลังโขลงไอ้แหวงไปข้ามเขาใหญ่ถึงสองลูก แสดงว่ามันคงจะป้วนเปี้ยนตามหลังไปเช่นนี้เรื่อยๆเชฐ่ากับชา ย, ยานลืมตาโพรงอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นแต่ดารินไม่รู้สึกผิดปกติอะไรนะักเพราะไม่เข้าใจมาก่อนได้แต่ทำหน้าตาตื่นมองหน้าคนนู้นทีคนนี้ทีเหมือนจะถามป่าแถบนี้มีควายป่าด้วยหรือหรอพินชา ย, ยานถามเร็วฝือเกือบสิบปีของชีวิตที่หากินอยู่ในย่านนี้ของผม ผมเคยพบควายป่าครั้งหนึ่งใ ก, ใกล้ๆกับหล่มช้างยิงไม่ทันแล้วก็ตามรอยไม่พบหลังจากนั้นก็เคยพบแต่รอยอีกครั้งหนึ่งตามไปเกือบเดือนมันหายเข้าไปในดงที่เรียกกันว่านารกดำผมก็เลยหมดความพยายามการมาพบรอยของมันในคราวนี้เดินตามหลังขโขงของไอ้แหวงไปราวกับเงาตามตัวจึงเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากคุณคิดยังไงเป็นเรื่องบังเอิญที่มันเดินซ้อนรอยขโขงไอ้แหวงไปชันะ่วขณะ หรือว่ามันมีเจตนาที่จะตามโขงไอ้แหว่งไปทุกระยะเชี่าตั้งคําถามมาบ้างหัวคิ้วขมวดมันยากหรือเกินครับแต่เท่าที่พบรอยปรากฏว่ามันตามหลังโขงไอ้แหว่งไปเป็นระยะข้ามวันข้ามคืนทีเดียวไอ้แหว่งหยุดมันก็หยุดทิ้งระยะห่างกันประมาณหนึ่งกิโลเมตรไอ้แหว่งเคลื่อนโของออกเดินมันก็เดินด้วยถ้ามันยังตามโขงไอ้แหว่งอยู่อย่างนี้ก่อนที่เราจะเข้าถึงไอ้แหวงมีวังประจันหน้ากับมันก่อนเป็นด่านแรก และถ้าพบมันก่อนไอ้แหวงแผนการก็ถึงตัวไอ้แหว่งก็ต้องยืดเยื้อต่อไปอีกเพราะเท่ากับว่ามันมีฐานะเป็นกองระวังหลังของไอ้แหวงโดยตรงทีเดียวเอแปลกฮะเคยปรากฏมาบ้างเหมือนเปล่าเกี่ยวกับกรณีที่ไอ้ควายป่าเดินหากินตามหลังช้างอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องบังเอิญก็อาจมีได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นเจตนาของมันโดยตรงผมก็ยอมรับว่าในชีวิตพรานของผมไม่เคยพบมาก่อนอย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างในป่ามันมักจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะพิลึกพิร่านแปลกๆเสม อ, อะลรครับเอาแน่ไม่ได้มีอะไรจะต้องมาคิดกันมากนักทีเดียวหรือในกรณีที่มีควายป่าตัวหนึ่งเดินหากินตามหลังโขลงไอแหวงหญิงสาวอดรนทนอยู่ไม่ได้ร้องถามมาอย่างสงสัยควายป่าเป็นสัตว์ที่ร้ายกาจที่สุดเชี่ยวาหันไปตอบน้องสาวแทนให้แกจอมพรานนอกจากความดุร้ายทรหด และอารมณ์บ้าดีเดือดโดยไม่มีเหตุผลแล้วมันยังเป็นสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งที่หูตาจมูกไวเหนือกว่าสัตว์ในประเภทเดียวกันทุกชนิดถ้าพบคนสู้มากกว่าหนีวิธีชาร์ตก็ดุเดือดเต็มไปด้วยอุบายเล่กลงเกินเชื่อทีเดียวยิ่งกว่านั้นยังไวเสียยิ่งกว่ากระทิงถ้ามันเดินตามหลังโขลงไอแหว่งจริงตามที่ระพินว่านี่อันตรายของพวกเราก็มีเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดีดวยวนอกจากมันจะเป็นอุปสรรคเตือนให้แหว่งรู้ตัวแล้ว มันก็จะเป็นด่านแรกที่พุ่งเข้าใส่เราร้ายกาจเสียยิ่งกว่าไอ้แหว่งเองนี่แปลว่าไอ้แหว่งมีเกราะกันตัวรอบด้านหล่อนมองไปทางจอมพรานพูดหน้าตาเฉยพระเอกแหว่งของเราไปเซ็นสัญญาจ้างเจ้าสมิงมะฮิ่งสานี่ให้มาคอยเป็นกองระวังหลังโขงของมันกัมมังเมื่อเขาไม่ต่อร้อต่อถียงเช่นไรหล่อนก็พูดต่อมาว่ามันจะยากเย็นสักขนาดไหนก็ตามแต่วิธีที่จะตัดปัญหาเรื่องนี้มีอยู่ง่ายนิดเดียว ล้มไอ้ทรารพีตัวนั้นเสีก่อนหรือคุณมีหนทางอื่นยังไงก็ต้องเป็นอย่างที่คุณหญิงว่านั่นแหละครับถ้ามายังไม่แยกทางกับไอ้แหว่งเสีก่อนแต่ก็หมายความถึงว่าเราจะต้องใช้ความระมัดระวังและหนักใจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวผมไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ทราบเพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรือบ่าว ก, กว่าแดงอะไรเลยเพียงแต่เรียนให้รู้ตัวร่วงหน้าเท่านั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเหมือนควายป่าแอฟริกาไหม คล้ายๆควายบ้านธรรมดานี่แหละแต่ใหญ่กว่าสองเท่าตัวตัวมันเป็นควายก็จริงแต่ปรับเปรียวว่างไวพอๆพกับเสือตามปกติแล้วหายากมากจนใครๆคิดว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้วไอ้ตัวนี้หลงมาจากไหนก็ไม่ทราบผมไม่มีเวลาพอที่จะสำรวจรอยย้อนต้นมาที่มาของมันเพียงแต่เห็นมันย่ำซ้อนรอยโขงไอ้แหวงไปเท่านั้นถ้าคิดจะได้รับการตื่นเต้นะจญภัยสุดยอด การที่มีมันมารวมอยู่ด้วยก็นับว่าไม่ผิดหวังทีเดียวและเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมของเราเพราะโดย ท, ทั่วไปแล้วถ้าเราคิดจะล่าควายป่าสักตัวเดินป่ากันตั้งปียังไม่มีโอกาสได้พบผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ทรพีตัวนี้จะเดินตามหลังไอ้แหวงไปอีกกี่วันมันอาจแยกทางเสียก่อนก็ได้เราจะรู้แน่ก็แต่เมื่อออกติดรอยไอ้แหวงพรุ่งนี้ไอ้ตัวนี้คงจะมโหฬารน่าชมจินนะชา ย, ยันเปลย ก็ขนาดดินตามไหลผาแข็งๆเป็นรอยกรีบของมันเห็นได้ถนัดนั่นแหละครับน้ำหนักพอๆกับแรดขนาดใหญ่เฉพาะรอยกรีบกว้างกว่าฝ่ามือของผมเสียอีกกระิิงที่ว่าขนาดใหญ่ที่สุดรอยตีนก็ยังไม่เท่ามันชา ย, ยันกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆทำหน้าเบ้เชษฐาเอื้อมมือไปดินบรันดีสีหน้าขุมอยู่ในอาการเดิมโดยใจจริงเราต้องการล้มเฉพาะไอแหวงมหาการเท่านั้น แต่ถ้ามันยังไปทําตัวประหนึ่งเป็นพันธมิตรกับไอ้แหวง่งคอยเป็นกองระวังหลังให้อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้จัดการเก็บไอ้ทธรพียักษ์ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงไอ้แหว่งเป็นําดับต่อไปแม้จะต้องเสียเวลาไปอีกก็ตามให้ตายสิไอ้แหว่งนี่มันมีตะบะแ ก, ะก่กล้าเอาจริงๆสิ่งร้ายๆต่างๆที่จะทยอยกันเข้ามาสกัดกั้นหรือเล่นงานเราเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นบริวารของมันนั่นแหละ ว่าแต่ผมยังอดเสียวไอ้พวกทหารพระรามที่รบกับมันเมื่อเที่ยงนี้ไม่หายมันจะแอบยกคลมาเล่นงานเราเป็นการแก้แค้นคืนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับลิงทุกชนิดเป็นสัตว์นอนในเวลากลางคืนยกเว้นพวกกลิงลมหรือนางอายซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทลิงเพราะฉะนั้นในกลางคืนมันไม่ออกหากินหรือไปไหนเป็นอันขาดนอกจากหลบนอนอยู่บนยอดไม้ แต่ถ้ากลางวันเราก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยผมไม่คิดว่ามันจะรวมกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่เหมือนเมื่อตอนที่เราพบได้ง่ายๆนะและถ้าไม่ใช่ฝูงใหญ่ก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วไอ้ตัวลึกลับที่มันแอบมาดูดเลือดลูกหาบของเราละ่ะดาลินถามขึ้นร่อยๆเดินไปแหวกประตูกระจ ม, มองออกไปเบื้องนอกฟ้าร้องกลืนคืนแว่วมาจากลูกเขาทิศตะวันออกละอองอันเย็นชาของฝนโปรยปริวอยู่ทั่วไปป่ารอบด้านเป็นสีดําสนิท คงได้ยินแต่เสียงน้ำที่ไหลซ้ะอยู่ในราห้วยและเสียงกบเทียนที่ร้องสิงแซ่หล่อนห่อไหลลงด้วยความหนาวสะทานซุกมือที่สวมถุงหนังทั้งสองลงไปในเสื้อแจ็คเก็ตเราอยากจะให้มันมาแต่กลัวมันจะรู้แกวไม่ยอมมาเสียเท่านั้นรับรองว่าคืนนี้พรานของผมจะไม่หลับยามเป็นอันขาดโปรดอย่ากังวลไปเลยครับขอให้คุณทั้งสามหลับกันอย่างสบายเป็นหน้าที่ของผมเอง เราต้องการเห็นการมาของมันด้วยถ้ามันมาผมจะปลุกเองครับถ้ามีอะไรผิดปกติคืนนี้พูดถึงไอ้ผีดูดเลือดคนในป่านี่ได้ยินได้ฟังมาเสียนักต่อ น, นักคุณพอจะให้ความกระจ่างได้ไหมมันจริงเท็จยังไงแน่ชยันพูดขึ้นขณะที่ลุกขึ้นไปรื้อที่หีบสเสบียงเครื่องกระป๋องคว้าลูกพูนกับผลไม้ดองน้าเชื่อมอันเป็นของหวานออกมาแกะแจกใหญเชิฐาและดาลินแล้วส่งมาให้พรานใหญ่ แต่ละผีสั่นสีสับปฏิเสธโดยสุภาพก็คุณชายยันได้ฟังมายังไงละครับเจ้าพวกผีโป่งผีกองกอยผีโป่งข้างอะไรนั่นนะสิมันเป็นตัวอะไรกันแน่และมีจริงหรือเปล่าจอมพานหัวเราะเบาๆขึ้นชื่อว่าผีแล้วคือสมมุตินามของอะไรชนิดหนึ่งที่ชาวป่าเขาหวาดกลัวและเชื่อถือกันเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพิส so, mm ูจน์กันไม่ได้ ความจริงมันก็เป็นสัตว์หายกินในเวลากลางคืนธรรมดานี่แหละครับสัตว์บางชนิดมีเสียงร้องประหลาดวิกลวิการฟังน่ากลัวเขาก็ตั้งชื่อให้มันเป็นผีไปในชีวิตผมไม่เคยพบเห็นอิทธิฤทธิแท้จริงของมันเหมือนอย่างที่เขาเล่าลือกันสักทีก็เพิ่งจะมาเห็นชัดๆกับตาตอนที่ลูกหาบของเราตายเมื่อคือนที่แล้วนี่แหละซึ่งก็รับรองได้ว่ามันไม่ใช่พูดผีปีศาจอะไรทั้งนั้น มันจะต้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่ว่ามันเป็นสัตว์อะไรขอให้ได้เห็นมันจังๆสักครั้งเป็นรู้กันออกไปละแล้วเขาก็ขอตัวออกมาจากกระโจมคณะนายจ้างทั้งสามเดินตามออกมาตรวจบริเวณด้วยลูกหาบส่วนมากพากันนอนหลับหมดแล้วเพราะอ่อนเพลียที่เดินมาทั้งวันนอกจากพวกอยู่ยามที่พงตะไคร้น้ําอันขึ้นยูนหนาทึบริมห้วยด้านหนึ่งมีรำไฟฉายสองสำรวงกราดวอบแว บ, บอยู่ที่นั่น เชิษาเหลือบไปเห็นก็ถามเอ๊ะนั่นใครไปทำอะไรอยู่ที่ลำห้วยนั่นเกิดกับเสยครับออกไปหากบเทียนเห็นบอกว่าจะมาทำกับข้าวต้มกบตอนเที่ยงคืนอือข้าทีนี่อย่าลืมปลุกผมบ้างนะตอนข้าต้มเสร็จชา ย, ยันว่าปนหัวเราะคืนนี้ฝนคงเทแน่นะเชฐษถาพึมพำแงหน้าขึ้นมองดูเบื้องบนอันมืดทึบพร้อมกับแบ่ฝ่ามือขึ้นสัมผัสกับระอองชื้น แล้วกวาสายตามองดูบริเวณแคมป์ซึ่งขณะนี้พวกลูกค้าพากันหลับนอนอยู่บนเกลียนแทนที่จะนอนกับพื้นเหมือนทุกคืนและไม่ได้ก่อไฟอื่นใดไว้นอกจากไฟสายฝนกองใหญ่ซึ่งสุมอยู่ภายใต้หลังคามุงของผ้าใบใกล้ๆ ก, ก, กับเต็นท์ทำให้บริเวณปางพักทั้งหมดมืดสลัวคลุมเครือดูน่าสะพึงกลัวไม่ดูอบอุ่นเหมือนคืนปกติอัเทหนักในตอนดึกครับตอนที่เดินตามรอยไอแวง ผมกับบุญคำก็เจอฝนมาตลอดบรรยากาศไม่ค่อยจะดีเลยแถวนี้อากาศมันอับๆตะขั้นตะค อ, อยังไงพี่กรยิ่งสิกว่าโปงกระทิงอีกเราจะพักอยู่ที่นี่เพียงคืนเดียวเท่านั้นครับระหว่างเชษฐากับชัยยันดืนคุยกับพรานใหญ่อยู่อีกสองสามคำดาลินเดินถไลไปพูดอะไรกับแง่ทรายผู้นั่งอยู่บนตอไม้ริมเต็นแล้วก็หายเข้าไปในกระโจมพัก สองชายผู้เป็นนายจ้างก็กล่าวขอตัวไปนอนแยกเข้ากระโจมไปเสียงบางร้องแหลมยาวหหยหวนดังแววแซ่ความเงียบลงมาจากยอดไม้ด้านหลังกระโจมพักครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปอีกอึดใจใหญ่ๆก็ดังขึ้นอีกทางริมห้วยเกิดกับเสยที่เดินท่อมๆส่องหากบเทียนอยู่ในรำห้วยจํา พ, พลาดกลับเข้ามาโดยเร็วหิว้วกบติดมือมาด้วยคนะพวงใหญ่ แล้วพินผู้กำลังนั่งคุยกับบุญคำและจันก็ถามออกไปโดยเร็ ว, รวอะไรจงอางลายลูกหวายเลยตัวเท่าหน้าแข้งถูกแสงไฟฉายเป็นเงาปราบเลื้อยผ่านหน้าเสยห่างสักสามวาเท่านั้นเกิดกระซิบผอบและหัวเราะ อ, ออกมาพรานใหญ่จุกปากเบาๆแกไปแย่งกบของมันกินระวังอุตริไม่เข้าเรื่องมันไปทางไหนเื้ยข้ามฝั่งห้วยไปฟาโน้นครับ ผมก็เสยแทบจะไม่กล้าหายใจตอนที่ส่องไฟไปพบเข้าเขาถอนใจออกมาโล่งอกทั้งสองลงนั่งโลกนังกบอยู่ริมกองไฟขณะนั้นเองระพินกับพรานของเขาทั้งสี่ก็ต้องหันขวับไปทางกระโจมภาคของนายจ้างเพราะลำไฟฉายสว่างจ้าลำหนึ่งส่องกลาดมาพอเหลียวไปทุกคนก็มองเห็นดาลินถือไฟฉายอยู่ในมือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือปืนลูกกดยาวมีแง่ซ า, ายยืนอยู่ข้างๆหลอน เอนส่องไฟมาที่กลุ่มของรพินแว บ, บหนึ่งแล้วกลาดไปทั่วบริเวณแคมป์จากนั้นก็ส่องขึ้นไปตามยอดไม้สูงหมืนรอบด้านและเริ่มออกมาเดินส่งไฟฉายไปให้แง่ท า, ายทำหน้าที่ส่องเหมือนจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งจันพึมพำออกมาเอ๊ะนั่นนายหญิงกับแง่ทายส่องหาอะไรรพินย่นคิ้วเพ่งมองดูร่างโปร ง, งามของนายจ้างสาวกับร่างใหญ่กายำของหนุ่มกระียงพเนจร ที่กำลังพูดอะไรกันพึมพาและเดินส่องไฟตามยอดไม้ออกไปทางดงทึบด้านหลังกระโจมพักห่างออกไปทุกขณะเขาคว้าไร่เฟื้นงผุดรุกขึ้นสาวเท้าตามเข้าไปโดยเร็วมาทันกันที่ใต้ต้นยางใหญ่หลังเต็นต์หล่นหันมามองดูเขานิดหนึ่งแล้วก็ไม่สนใจหันไปแงนมองตามยอดไม้ที่แสงไฟของแง่ทายส่องต่อไปในมือกระชับมารีนเตรียมพร้อม ส่วนแง่ายพอเห็นรพินตรงรีดเข้ามาก็ยิ้มยิงฟันมองดูเขาเกรงเกรงรีบดับไฟในมือลงแต่หญิงสาวหันไปออกคำสั่งแวดแง่ายใครใช้เธอดับไฟฮะส่องหายพบสิคุณหญิงจะส่องหายพบอะไรครับเสียงเหาห้าวของรพินขัดขึ้นหลอนหันมาจ้องเขาด้วยสายตาคุณเขียวตอบสะบัดสบัดก็ไอตัวเวรอะไรที่ร้องเหมือนผีนั่นน่ะสิ ฉันฟังมันมา น, นานแล้วจะนอนก็นอนไม่หลับทุกครั้งที่ได้ยินขนลุกเกลียวไปหมดครานใหญ่เป่าลมพรูออกจากปากโครงศีรษะช้าๆโธ่ใจหายใจคว่ำมหมดนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็อุตส่าห์ลุกขึ้นมาประกาศสงครามกับบ่างอย่าพอพูดบ้าๆควรโทรสารเหมือนไอ้บางผีนั่นอีกคนเลยฉันเกลียดเสียงของมันช่วยส่องไฟเข้าบ้างสิคุณหญิงจะยิงมันเชียวหรือครับมันไม่รบกวนเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราเลย มันก็แค่ร้องไปตามธรรมชาติของมันเท่านั้นก็บอกอยู่นี่อย่างไงว่าฉันเกลียดไม่อยากฟังเสียงของมันทำไมมันไม่ไปร้องที่อื่นมาร้องโหยหวนกวนประสาทอยู่ได้แล้วมันเรื่องอะไรของคุณด้วยเมื่อไม่ช่วยส่องไฟให้ก็ไปเสียพ้ น, พนไปประเดี๋ยวฉันจะมองเห็นคุณเป็นตัวบางไปอีกคนหนึ่งเท่านั้นว่าแต่ว่าคุณหญิงรู้จักตัวของมันแล้วหรื อ, อยังครับไอ้บางนะ่ะไม่สาคัญตัวมันจะเป็นยังไงก็ช่าง ฉันได้ยินมันร้องอยู่บนยอดไม้นี่แหละพอตาสะท้อนไฟเป็นยิงละ่ะพา น, านันกันก็ได้ว่าคุณหญิงไม่มีวันด้วยตัวมันหลอกถึงยังไงมันก็ไม่ยอมให้คุณหญิงเห็นตัวง่ายๆไปนอนเสียดีกว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้าหล่อนไม่ตอบคำใดอีกกระช้าไฟไปจากมือแง่ทายอย่างขัดใจส่องขึ้นประกบกับ ก, บกระโจมมือของลูกกดมารินกระบอกนั้นส่องกราดค้นหาเองอย่างหมายมั่นปั้นมืออึดใจนั่นเอง จากลำแสงของไฟฉายขนาดแปดท่อนก็จับพบดวงทับทิมคู่หนึ่งสถานวาวลงมาจากยอดไม้หม่อมราชวงศ์สาวคนสวยก็เล็งจากศูนย์กล้องอย่างรวดเร็วแล้วกระดิกนิ้วเสียงลุกกดลั่นพยะออกไปยังไม่ทันจะขาดเสียงก็ปรากฏเสียงบูบวาบร่วงหล่นลักกิ่งไม้ลงมาหล่นสวบในพงรกเฮ่ ö, นี่ยังไงละ่ะไอตัวที่มีเสียงเสนียถูหล่อนคำราม รับินหัวร้อหือห้อในรําคอพยักหน้ากับแง่ทรายออกคําสั่งไปแง่ทรายไปเก็บมาให้ในยายหญิงดูสิรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงแง่ทรายรับฝฟฉายเดินบุกเข้าไปในโพงตรงตําแหน่งที่เจ้าสิงนั้นร่วงลงมาอึใจเดียวก็ฮิ้วอะไรอย่างหนึ่งร่องแร้งมาด้วยวางไว้กับพื้นตรงหน้าของหญิงสาวรับินส่องฝฟฉายให้ดูพอมองเห็นได้ถนัดดาลินก็อุทานออกมาเอ๊ะนี่มันนกตากละ่ะนกอะไรกันนี่เหมือนนกคูก แต่ตัวบลเลอเชียวนกถุดเื อ, อยังไงล่ะครับบ้าจริงฉันจะยิงบางร่อนร้องอย่างผิดหวังและขนฉุนผมบอกแล้วว่าอย่าเสียเวลานอนเลยครับเสียงร้องของมันร่วงหูเรามากบางทีนึกว่าดังมาจากยอดไม้ใกล้ๆนี้เองแต่ความจริงมันร้องอยู่ในดงลึกเห็นตัวมันยากมันไม่ร้องบ่อยนักหรอกครับนี่มันก็หยุดเงียบไปแล้วคุณญิงสงบจิตใจไปนอนสิดีกว่า หญิงสาวยืนเม้มริมฝีปากอึ้งไปนานในที่สุดก็ถอนใจเฮือกฉันนอนไม่หลับที่นี่บรรยากาศมันไม่ดีเลยบรรยากาศในป่าทึบมันก็อย่างนี้แหะครับไม่เหมือนบรรยากาศแถวพัทยาหรือหัวหินประเดี๋ยวฉันจะแช่งให้แผลที่เย็บไว้กำเริบขึ้นมาอีกเท่านั้นพรานใหญ่ยิ้มเล็กน้อยน้ำเสียงของเขานุ่มหูอาการที่เตรียมพร้อมที่จะหาเรื่องของหล่อนจึงลดลงเลิกหงุดหงิดเสียทีโดยครับคุณหญิง แล้วก็อย่าไปมัวพวงฟังเสียงบางมันร้องกลุ่นภาษาอยู่อีกเลยถ้ายังไม่ง่วงหรือคิดว่ายังหลับไม่ลงก็มาทางนี้ดีกว่าครับมาดูเกยกับเซยถลกหนังกบพวกนั้นได้กบมาแยท่ทีเดียวประเดี๋ยวเขาต้มเขาต้มกบทานแกหนาวกั น, น, กนอย่าเดินท่อมๆไปเลยมืดๆ ข, ข้ามๆกลางป่าลึกมันไม่เหมาะอารมณ์ของหล่อนดูจะดีขึ้นเล็กน้อยชมเหลืองมองดูจอมพรานนิดหนึ่งแล้วเดินตามต้อยๆมาโดยไม่ปิดปากคําใดอีก อย่างเด็กดือด้อที่เพิ่งจะถูกใจในคําพูดเพ้อเพ้อหูของพี่เลี้ยงพวกนั้นกินเหล้าโรงกันไปพรางช่วยกันจัดการถกรกหนังกบและคุยกันไปพรางพอเห็นนายจ้างสาวเดินตรงเข้ามาพร้อมกับพรานใหญ่ก็ยิ้มรับบุญคําสระม้าเล็กๆแบบที่พับได้ซึ่งตนเองกําลังนั่งอยู่กอดให้แก่หล่อนพรางเชื้อเชิญดาลินวางปืนพิงเกวียนคันหนึง่งยืนกอดอกมองดูพวกนั้นช่วยกันเตรียมทํำข้าวต้มกบอยู่ครู่หนึ่งก็สุดตัวลงนั่ง ควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตออกมาจุดสูบนี่นะเหลือกบเทียนที่ไปสองไฟหากันมิเตกี้หล่อนถามเปลยๆมองดูอย่างสนใจครับเกิดตอบอย่างนอบน้อมนายหญิงทานกบเป็นไหมครับฉันกินไก่ได้ยังไงก็กินกบได้อย่างนั้นแหมได้กันมาแย่จริงกี่ตัวนะ่ะร่วม20สิบครับไหนว่าจะทำข้าต้มกบงั้นหรือ เครับว่าจะทําเป็นสเสบียงรองท้องสําหรับพวกเราที่อยู่ยามหรือใครที่ตื่นขึ้นมาหิวคืนนี้เราผัดกันอยู่ยามตลอดรุ่งยามละสี่คนดีมากแล้วอย่าหลับยามกันเสียอีกเหมือนเมื่อคืนที่แล้วล่ะว่าแต่เรื่องข้าต้มกบอย่างว่านั่นเถอะจะทากันยังไงไหนรองบอกซีพวกนั้นยิ้มแห้งๆ ห, หันไปมองหนูด้ากันเองบุญคำก็ตอบแทนคณะมาว่า ก็ทำกันง่ายๆแหละครับนายหญิงต้มข้าวเข้าพอเดือดก็ใส่กบลงไปเอาเกลือหรือน้ำปลาใส่เท่านั้นก็กินกันได้แล้วหญิงสาวทำหน้าผอืดระองค์ยี่แล้วจะกินเข้าไปลงหรือทำอย่างนั้นน่ะเครื่องข่าวอะไรก็ไม่มีสักอย่างจันอ้าปากจะพูดแต่พรานใหญ่รอบขยิบตาไว้แล้วบอกมาหน้าตาเฉยถ้าปล่อยผู้นี้ไปตามภาษาเขาก็มีปัญญาทาได้เพียงแค่นี้หละครับ แต่ถ้าได้แม่ครัวบรรดาศากดิ์อย่างคุณหญิงก็จะเป็นลาป่าของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชายกับชายยันจะรุกขึ้นมาร่วมสนุกกับข้าวต้มกบของเรากลางดึกด้วยพี่ใหญ่กับชายยันจะร่วมรายการนี้ด้วยเหรอพรานใหญ่ซ่อนยิ้มก็เห็นสั่งผมไว้ว่าให้ปลุกถ้าข้าวต้มเสร็จตอนนี้เข้าไปนอนเอาแรงก่อนแปลว่าคุณจะเกณฑ์ให้ฉันเป็นผู้ดำเนินการข้าวต้มกบห่อนี้ เรียกว่าขอคำปรึกษาดีกว่าครับเพราะคุณหญิงก็คงยังไม่นอนในตอนนี้ช่วยพวกผมทำข้าต้มกบดีกว่าจะไปฟังเสียงบ่างแล้วก็ถือไฟเดินส่องจ้องยิงมันอยู่หมอมรชวงหญิงดาลินตวาดหางตาผ่านไปหน้าเขาเหมือนจะค้อนดีนี่เข้าใจเราใช้มากนะถ้างั้นทุกคนต้องเป็นลูกมือของฉันรวมทั้งตัวคุณเองด้วยในพรานด้วยความเต็มใจทีเดียวครับใช้คุณ น, นั่นแหละเป็นคนแรก หลอนวงการเดินไปถามแง่ทายว่าหีบเครื่องครัวอยู่ที่ไหนสิ่งที่ฉันต้องการก็คือน้ำมันหมูกระเทียมพิกไทยปน่นและตั้งชายคุณเลือกดูเถอะมีครบทุกอย่างที่สั่งนี่อ้ออย่าลืมน้ำปลาดีแล้วก็ผงชุรสด้วยไปขนมาที่นี่เร็วจันทร์ขยับจะลุกเพื่อไปทำตามคำสั่งของหลอนแทนพรานใหญ่แต่หญิงสาว ก, กดไหลไว้ออกคาสั่งให้นั่งลงตามเดิมแล้วหันมาพยักหน้าเตือนเขา รถหีนหัวร์บเบาๆลุกขึ้นเดินไปตามบรรชาโดยดีครู่เดียวก็หอบสิ่งที่หลอนต้องการพรุงพลางเดินกลับมาพร้อมกับแงสายผู้ช่วยหิ้วมาด้วยนำมากองเรียงไว้ตรงหน้าหล่อนเป็นยังไงหาได้ครบไหมครบหมดตามที่บรรชามาครับผมเขารายงานแบบทหารและหัวเราะผมไม่นึกเลยว่าครัวเบสเสร็จฉบับกระเป๋าเคลื่อนที่ของคุณหญิง จะมีอุปกรณ์ครบถ้วนถึงเพียงนี้มีแม้กระทั่งตั้งชายถ้าจะขาดก็ขาดผักสดเท่านั้นจำไว้สิว่าผู้หญิงอยู่ที่ไหนครัวก็อยู่ที่นั่นครัวก็คือท้องและท้องก็คือพลาังงานจำไม่ได้หรอกหรือนโปรเรียนเคยพูดไว้ว่ากองทัพเดินด้วยท้องโง่มากไม่รา่าที่พยายามจะกีดกันไม่ให้ฉันมาด้วยแต่แรกครับเป็นความโง่ของผมอย่างยิ่ง ยอมรับเสียโดยดีอย่างนี้ค่อยหน้าปานีหน่อยเอาละคุณนั่นแหละลงมือปอกกระเทียมเข้ารับรองว่าข้าวต้มกบของเราคืนนี้ไม่แพ้ข้าวต้มราชวงศ์ถ้าจะขาดก็เพียงต้นหอมหรือขึ้นช่ายเท่านั้นซึ่งก็ไม่จะเป็นนักครานใหญ่อมยิ้มยอมตัวเป็นลูกมือปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีดาลินสั่งให้แง่ายจุดเตาน้ามันกา๊าดขึ้นพร้อมกันทั้งสองเตาเตาหนึ่งให้บุญคาจัดการต้มข้าว แล้วสั่งให้เกิดหั่นกบเป็นชิ้นขนาดที่ร่อนต้องการทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือตามคำบงการของร่อนพอทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามต้องการหญิงสาวก็ลงมือเองเริ่มด้วยการตั้งกระทะเจียวกระเทียมจนเหลืองหอมส่งกลิ่นไปทั่วแล้วใส่หม้อเล็กๆไว้จากนั้นก็ผัดรวนเนื้อ ก, กบใส่น้าปลาและพริกไทยพร้อมผงชูรสเติมน้าจนได้ที่กลิ่นตลบหอมฟุง้งชวนกิน แล้วแยกใส่หม้อต่หากไว้อีกหม้อหนึ่งหล่อนรวนเนื้อกบเสร็จก่อนเข้าหม้อใหญ่จะทันเดือดด้วยซ้ําดูหม้อข้าต้มให้ดีนะหล่อนหันไปร้องบอกบุญคากะต้มพอยสุกเท่านั้นอย่าให้เม็ดบานเกินไปนักมันตักฟองทิ้ในเวลาเดือดและระวังอย่าให้น้ําแห้งพอได้ที่ก็รีบยกลงบุญคารับคําอย่างกวีกวาดแข็งขันดาลินลุกขึ้นยืนบอกให้เสยนําเอาเครื่องข้าต้มที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มาตั้งเรียงไว้รวมกลุ่มกันบนตอไม้ใหญ่หน้าเรียบต่อหนึ่งคือกบที่รวนเรียบร้อยแล้วหม้อกระเทียมเจียวกระบอกพริกไทยตั้งฉายก็เอาออกจากกระปุกใส่ชามไว้และถ้วยน้ำปลาแล้วหล่อนก็หันมาทางรับพินผู้ยืนรูปรลิมฝิ ป, ป่าอยู่เบื้องหลังทีนี้ก็รอ้อยข้าต้มสุกเท่านั้นจะต้องให้บอกอีกไม่ว่าทายังไงถึงจะให้มันกลายเป็นข้าวต้มกบขึ้นมา พอข้าต้มสุกก็เททุกอย่างที่เตรียมเอาไว้ลงไปในหม้อข้าต้มกวนๆให้มันผสมกันฉลาดเต่เรื่องราชสัตว์แต่งโง่มากสําหรับศิลปะในการกินหล่อนพูดเงียบๆสวนขึ้นเสียแรงทําแยกไว้ให้เห็นชัดอย่างนี้จะฉลาดสักนิดก็ไม่มีไอ้อย่างที่คุณว่าเนี่ยนะนะมันเข้าต้มป่าไม่ใช่เข้าต้มของคนที่เจริญแล้วก็กินกันมีอย่างหรือเอาไปใส่ปนกันหมดทั้งหม้ออย่างนั้นมันก็เซ็งหมดนะสิ แล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครต้องการรสชาติแบบไหนตักข้าวต้มใส่ชามตามที่แต่ละคนจะต้องการอย่าแล้วก็ตักกบที่รวนเอาไว้ใส่ลงไปมากน้อยแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ตั้งไายโรยลงไปกระเทียมเจียวใส่โรยพริกไทยน้ำปลาเหยอ่อตามรสที่ต้องการใครจะกินเมื่อไหร่ก็ปรุงเอาเองเม่อ น, นั้นฉลาดขึ้นบ้างหรื อ, อยังหลักทาซานแล้พินผิวปากหวือ เอามือตบหมวกสกาดบนศรีรษะที่สวมอยู่ลงมาโปะปิดหน้าแล้วแหยนขึ้นพวกพานพื้นเมืองหัวเราะกันคืนบรรยากาศเงียบเงาเยียบเจนเริ่มอบอุ่นคึกคื้นขึ้นถ้ามีน้ำส้มพริกดองอีกหน่อยก็สวยเสียงพานใหญ่พูดอ่อยๆออกมาจากใบหน้าที่ยังมีหมวกคุมปิดอยู่นั้นดาลินหัวเราะหึห่